นิทานเรื่องแหวนวิเศษเรื่องมีดังนี้ค่ะในอนดีตนะคะมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรฮิบรูพระนามว่าโซโรมอนพระราชาเนี่ยได้สั่งให้เจ้าเมืองทุกเมืองทำของวิเศษให้อย่างหนึง่งโดยของสิ่งนั้นต้องมีคุณสมบัติพิเศษ คือของสิ่งนี้จะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของพระราชาได้หากมีความทุกข์อยู่ก็จะหายจากทุกข์หากมีความสุขอยู่ก็จะคลายความสุขลงไม่ว่ากําลังร้องไห้อยู่หรือหัวเราะอยู่ก็จะสามารถหยุดอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นได้ เมื่อครบกำหนดเจ้าเมืองใหญ่เมืองใดๆก็ไม่สามารถหาของตามที่พระราชาต้องการได้แต่มีเจ้าเมืองเล็กๆอยู่เมืองหนึ่งได้บอกว่ามีแหวนวิเศษมีคุณสมบัติอย่างที่พระราชาต้องการมาถวายพระราชาจึงรีบให้มาเข้าเฝ้าเมื่อพระราชา ได้เห็นแหวนวงนั้นแล้วปรากฏว่าเป็นเพียงแหวนทองธรรมดาเรียบๆวงหนึ่งพระราชาก็สงสัยว่าแหวนเนี้จะมีความวิเศษได้อย่างไรกันแต่เมื่อพระราชานำไปใช้ก็ปรากฏว่าแหวนวงนี้สามารถเปลี่ยนอารมณ์ ของพระองค์ได้จริงๆไม่ว่าพระองค์จะกำลังมีความทุกข์หรือความสุขอยู่ก็ตามเพียงเพราะแหวนวงนั้นมีข้อความสั้นๆสลักไว้ว่าแล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไปค่ะยามใดที่พระราชามีความสุขความยินดี หรือมีความทุกข์ความโกรธความกังวลไม่สบายใจใดๆก็ตามเมื่อมองไปที่แหวนนี้ซึ่งเตือนสติพระองค์ว่าแล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไปทำให้พระองค์เนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์กำลังประสบอยู่ไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์มันไม่จีรังยั่งยืน มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จากไปนับตั้งแต่นั้นมาพระราชาก็ไม่คิดที่จะนำความทุกข์มาเป็นกังวลมีความสุขก็ไม่ได้ยึดติดกับความสุขนั้นทำให้พระราชาสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องและตั้งหน้าตั้งตา ทำเพื่อประชาชนของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นที่รักใคร่ของประชาชนท่านผู้ฟังคะในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องประสบกับโลกธรรม8คือได้ลาบได้ยศสั้นเสริญสุขแล้วก็ต้องมีเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์เป็นธรรมดาหากเราสามารถเตือนสติ ตนเองได้ว่าแล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไปก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำใจเป็นกลางทำใจเป็นปกติได้เมื่อความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเช่นหงุดหงิดขี <c oughs> ้เกียจวิตตกกังวลหรือมีความรู้สึกตื่นเต้นยินดีพอใจก็ตามค่ะ ให้เรามีสติปรับปรุงลมหายใจยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆให้เกิดความรู้สึกตัวรักษาใจเป็นกลางๆทำใจสงบและทำใจให้ปล่อยวางว่าแล้วสิ่งนั้นจะผ่านพ้นไปเมื่อมีทุกข์ทุกนั้นไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืน ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะนำความทุกข์มาเป็นกังวลเมื่อมีสุขสุขนั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนเช่นกันเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิ จ, จัง